ช่วงเก็บปรมณมนี่เราก็ไม่เสียเวลากับการสวดมากๆอะไรมากๆพิธีรีตองการสวดการพูดเอาไว้ช่วงต้นๆช่วงได้ทายมาจะช่วงต้นนี้เราจาเป็นต้องมีอันนั้นในเพื่อผ่อนคลายเป็นกิจกรรมเพื่อให้เกิดการผ่อนคลาย เพราะว่าอารมณ์เรายังหยาบอยู่แต่พอผ่านไปสามสี่วันอารมณ์ริ่ ม, มละเอียดขึ้นประนีดขึ้นนิวรณเริ่มอ่อนตัวลงเราก็จะได้ทำให้มากขึ้นนะเป้าหมายกิจกรรมต่างๆก็เพื่อนะนุมหนาวชักจูงให้จิตมาอยู่กับปัจจุบันเท่านั้นเองนะไม่ว่าการปุุก เรื่องเล่าการปลูกศรัทธาการดูทีดูวิดีโอฟังครูบาอาจารย์ต่อเมื่อเราเข้าใจเป้าหมายแล้วเราก็ไม่ต้องอาศัยสิ่งกระตุ้นมากตั้งใจทำอย่างเดียวว่าเราทำเพื่ออะไรนะช่วงเช้าเร็วนมนหลวงพ่อเทียนผู้ที่เป็นอาจารย์หลักมาให้ข้อคิด <c oughs> แต่ว่าจะให้ภาษาของท่านเป็นภาษาที่ ค่อน ข, ข้างสัมบัติสาหรับบางคนเข้าใจยากาวันเช้านี้ท่านพูดอย่างน้อยก็สามลักษณะสามเวอร์ชันพอเข้าเวอร์ชั่นที่สี่เรื่องปรามารัดหลวงพอ่อเลยว่าหยุดไว้ที่นั่นเพราะปรามัดพวกเราอาจจะเข้าไม่ถึงอย่างน้อยท่านพูดถึงสามเรื่องเรื่องต้นท่านพูดถึงเรื่องเข้าใจเรื่องในขอบข่ายของอารมณ์รูปนามเรื่องที่สองท่านพูดถึงเรื่องของปิสัญหาธรรม เรื่องที่สามท่านพูดถึงเรื่องของสมมุดสามจุดเนี่ยถ้าเราไม่ตั้งใจฟังฝั่งภาษาท่านไม่ออกเราก็เราก็แยกไม่ออกแต่ฟังภาษาท่านออกเราก็แยกออกอท่านพูดเรื่องอะไรนะพราะนั้นในช่วงนี้หลวงพ่อจะขยายให้ฟังนิดหนึงว่ารูปนาม <c oughs> ทําไมต้องรูนะ้การรู้เรื่องของชื่อของอารมณนะ์มันก็จําเป็นตรงที่ว่า เหมือนก็เรียนก่อไก่ขอไขเพื่อให้รู้ว่าเราจะอ่านตรงนี้ว่าอย่างไรถ้าไม่รู้อักขระพยัญชนะเราอ่านไม่ออกถ้าอ่านไม่ออกเราก็ไม่รู้ความหมายเหมือนเราไปอ่านภาษาต่างประเทศถ้าไม่รู้เอบีซดีหรือไม่รู้ภาษาเขาเนี่ยเราก็อ่านเขาไม่ออกพออ่านเขาไม่ออกเราก็ไม่รู้เรื่องเขาหมายความว่าอย่างไรอันนี้ประโยชน์ของการรู้ สมุิในเรื่องของภาษานะพูดอ า, อ, าอารมณ์รูปนามเป็นไงเข้าใจหรือยังเราเราเข้าใจแต่ในแง่ของปรัตญสภาวะนันก็คือการสัมผัสได้เลยเหมือนกับช่างช่างมีสองพวกพวกที่เรียนรู้จากประสบการณ์และพวกที่รู้จากวิชาการ เรียนรู้จากประสบการณ์อย่างเช่นพวกเด็กที่ม่อยู่อู่ซ่อมรถมานานๆมันรู้มันซ่อมได้หมดนะแต่ว่ามันจะไปประกอบรถไม่ได้เพราะว่ามันไม่รู้รายละเอียดลึกขนาดนในด้านทฤษฎีในด้านรู้ขนาดรู้ทางด้านกำลังของเครื่องอะไรต่าง เขาจะเขาจะรู้จากวิธีซ่อมวิธีรักษาแต่ในการการผลิตให้เป็นของใหม่ขึ้นมาเขาจะไม่รู้แต่คนที่เรียนวิชาการมาเราลงภาคปฏิบัติด้วยพวกนี้จะรู้เรื่องซ่อมและเรื่องสร้างแต่พวกที่เรียนจะประสบการณ์จะรู้เรื่องซ่อมแต่ไม่รู้เรื่องสร้างเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้ทั้งสองอย่างก็ดีซ่อมได้ด้วยสร้างได้ด้วยมันก็จะก้าวน้านคือเรื่องซ่อม คือเรารู้ภาคทฤษฎีเป็นการเรื่องสร้างรู้ภาคปฏิบัติรู้เรื่องซ่อมที่แล้วมาจิตใจของเรามันชำรุดด้วยอะไรชำรุดด้วยเรื่องราคะบางเรื่องโทสะบางโลหะบางเราก็มาซ่อมให้มันหายนะให้มันเบาไปราคะโทสะโมหะเนี่ยมาในรูปของอะไรมาในรูปของนิวรณ์ต่างๆ ความขี้เกียจความขี้เกียจนี่ก็เป็นต้นตอความใคร่ความอยากเป็นเรียกว่าการมัชชนาเป็นต้นตอของโลภะพาคะแต่พอมันอยากแล้วมันไม่ได้อย่างใจไม่อยากให้ห่วงมันง่วงมันก็งุนหงิดไม่อยากจะฟุ้งแต่มันก็ฟุ้งก็งุนหงิดอยากจะให้มันสงบเย็นมันไม่สงบไม่เย็นก็งุนหงิด อยากจะให้มันจิตมันนิ่งมันไม่นิ่ ง, งก็หงุดหงิดใน ต, ตัวหงุดหงิดนี่แหละมันก่อให้เกิดพยาปาทะก็เกิดคือตัวโทสะตัวหงุดหงิดเนี่ยเป็นรากเป็นที่มาของโทสะความไม่สนุกความเบือ่อความเซ็งความหงุดหงิดหุนหันเนี่ยเป็นเป็นขอบข่ายของบอกโทสะหมดแล้วก็ซ่อมมันออกไป นี่พวกโมหะนี่สามตัวเลยนะความง่วงความฟุ้งซ่านความลังเลยสงสัยนี่เป็นโมหะหมดทั้งสามตัวนี้เพราะนั้นราคาโทสะโมหะที่มาของมันก็คือนิวรณ์ห้านั่นเองถ้าเราแก้ไขนิวรณ์ห้าเป็นเราแก้ไขราคาโทสะโมหะเป็ น, นทีนี้เมื่อตัว <c oughs> นิวรณ์ห้ามันมาลุกกวนเรามันก็ทําให้จิตเราเสี่ยมเสียสภาพปกติไปแล้วก็มาซ่อมมา แต่งให้มันดีลักษณะการรู้จักซ่อมจักแต่งให้มันปกตินี่เองในขอบข่ายอารมณ์รูปนามอยู่อยู่ในขอบขาอา่ า, ขบขายเหล่านี้ขอบข่ายสู้กับนิวรณ์พอนิวรณ์สงบอารมณ์รูปนามก็ปรากฏอารมณ์รูปนามคืออะไรคือกายกับใจมันมาตรงกันนั่นแหละถ้านิวรณ์มันเข้ากายกับใจมันไม่ตรงกันมันเฉยไปเลยกายกับใจตรงกันก็จะรู้สึกโปร่งเบาสบายสงบโดยธรรมชาติของมันเองไม่ต้องอยาก ที่หลวงพ่อดังกล่าวว่าเมื่อเราขุดน้ําบ่อเมื่อน้ํามันออกมาใหม่เนี่ยก็ขุนเราจะไปอยากให้มันใสเนี่ยโดยที่ไม่ทําอะไรมันเป็นไปไม่ได้อยากจะให้มันใสแล้วน้ําที่ออกมาจริงๆเดิมๆมันใสอยู่แล้วแต่พอมาเจอขี้ตะกอนปากบ่อมันก็ขุ่นเพราะตะกอนนั่นแหละเราก็มีหน้าที่ตักออกไปเรื่อยๆตักทิ้งไปตักทิ้งไปเหมือนนิวรนทั้งหลายเราไม่หน้าที่ตัดไปตัดไปตัดไปตัดไป อันนี้วอนเลยมันตะกอนปักบ่อแหละความของความง่วความเบื่อความซึง้งความฟุง้งซ่านความหงอวเหงาหานอนความลังเลสงสัยเนี่ยมันก็เป็นตะกอนเราก็มีแต่ตักออกตักออกตักออ ก, ส ล, ออกสลัดออกไปสลัดออกไปสลัดออกไปกลับมาอยู่ความรู้สึกตัวความรู้สึกตัวทั่วพร้อมเนี่ยให้รู้ทั่วพร้อมนะไม่ใช่ไปรู้ที่จุดใดจุดหนึ่งบางคนก็เคยเดินหนอมาก็ไปรู้ที่เท้าอย่างเดียวบางคนเคยทําแบบ สมถะมาก็ไปรู้ที่มืออย่างเดียวไม่ยอมรับรู้ในส่วนอื่นอันนี้มันก็จะตึงมันกจ็จะเครียดเพราะจิตของเรานั้นเป็นจิตที่เป็นภาวะที่รู้มันใหญ่เพราะฉะนั้นถ้าเราไปจํากัดที่ให้มันอยู่เนี่ยจะเกิดเรื่องเพราะฉะนั้นมาถึงรู้ว่าตัวสมถะนี่ไปทำให้คนก้าวหน้าทางด้านจิตใจพะอเไรเพอไปบังคับให้มันอยู่เป็นจุดแต่จิตของเรามันเป็นใหญ่มันสากลพัฒนามาไม่รู้กี่ล้านปี จิตอันนี้เพราะนั้นเราบังคับให้อยู่ที่ใดที่หนึ่งมันไม่ได้ <c oughs> มันจะถูกบีบแต่มันสงบก็จริงแต่ว่ามันสงบแบบไม่รู้เดี๋ยวมันก็ไม่สงบอีกเพราะนั้นเวลาปฏิบัติแนวนี้ท่านใช้ว่าสัมปชัญญปะปปะคือให้รู้ตัวทั่วพร้อมมันอาจจะไม่ชัดเหมือนที่เราบีบให้มันชัดนะไอการบีบให้มันชัดเนีย่ยใช้ในบางการณีเท่านั้น บางการณีเช่นเวลามันฟุ้งซ่านจัดๆเนี่ยบังคับจิตให้มันชัดอยู่จุดใดจุดหนึ่งอันนี้ก็ใช้ในบางครั้งหรือมันลังเลจัดๆนี่ก็บังคับให้จิตมันรวมอยู่จุดใดจุดหนึ่งแล้วใช้เป็นบางครั้ง <c oughs> นะแต่ว่าโดยทั่วไปไม่มีปัญหาอะไรก็ให้มันอยู่ทั่วตัวรู้สึกตัวทั่พร้อมที่นีรู้สึกตัวทัว่พร้อมบางคนยังสื่อไม่ได้ แยกไม่ออกจะรู้สึกยังไงท่านก็บอกให้รู้ในส่วนหยาบๆยาบีบทย่อยภาพตาปากหายใจเลี้วซ้ายแรงหั ว, วกลมเงยหรือแม้กระทั่งเอ็นร่อนอ่อนแข็งเค็งตึงพวกนี้เป็นการเคลื่อนไหว ย, ย่ยอยๆละเอียดให้รู้สิ่งเหล่า น, นี้ไปก่อนเพราะมันห ย, ยาบๆยาบนะพอจิตมารู้ในรายละเอียดปัจจุบันมากขึ้นมันก็จะลืมคิดถึงเรื่องอดีตอนาคตไปนะ พอมารู้โดนี้ชัดเข้าชัดเข้ากายกับใจก็เริ่มตรงกันกายกับใจตรงกันนิวรก็หลุดไปนะนิะนวร์ก็หลุดไปตัวปัจจุบันก็ปรากฏปัจจุบันไปกดจิตใจก็เหมือนเราตักน้ำขุ่นทิ้งไปทิ้งไปทิ้งไปน้ำใสก็ปรากฏเป็นธรรมชาตินะมันมันได้เป็นของซับซ้อนอะไรนะหรือเหมือนเราทำความสะอาดพื้น กวาดพื้นมันลกลุงลังด้วยผุนด้วยโปง่งด้วยใบไม้ลมพัดเข้ามาเราอยากจะให้มันสะอาดเราก็ต้องกวาดตรงเช็ดความสะอาดก็กปรากฏทีนี้เวลาเราไม่แล้วไม่ระวังสติเลยไม่เข้มแข็งความคิดนั้นก็ามาความคิดนี้ก็ามาก็เหมือนใบไม้ดอกไม้มันหล่นใส่พื้นเราก็กวาดออกไปกวาดออกไปกวาดออกไป นิวรณ์ต่างๆมันไหลอันนั้นปรากฏอันนี้บอกแล้วกวาดทิ้งไปเอาเอะไรกวาดเอาความรู้สึกตัวนี่แหละดึงจิตมาอยู่ความรู้สึกตัวชัดๆทั้งหัวตุดเท้านะและนี้ในวงการตรงนี้เรียกว่าเป็นอารมณ์รูปนามนะคือหมายความว่ากายกับใจเนี่ยรูปกับนามมาอยู่ด้วยกันเรียกว่าอารมณ์รูปนามทีนี้ถ้าสมมุติกายกับใจมันไม่อยู่ด้วยกันไป เหมือนกับที่อาจารย์คุ้มคิดว่าพระอาทิตย์มันไม่ตรงหัวเรามันเฉไปนิดหนึ่งเงาก็ปรากฏมันเฉทางตะวันตกเงาก็ปรากฏตะวันออกเฉไปทางตะวันออกเงาก็ปรากฏตะวันตกกายกับใจมันไม่ตรงกันความคิดก็ปรากฏความคิดที่ปรากฏเหมือนเงานี้เรียกว่านามรูปมันจะออกมาในเงีของความคิดเมื่อไรความคิดเกิดขึ้นเงาก็ปรากฏนะ ทีนี้เงาก็มีสองเงาเงาวสว่างกับเงามืดเงาวสว่างก็เหมือนที่เราเห็นว่าพวกแบบงมงเ ง, งาสว่างเงามืดที่มันสนิทเลยนะหมายความว่าความคิดมีสองประเภทความคิดที่มันคิดดีเงาวสว่างความคิดที่คิดไม่ดีเป็นเงามืดก็อจะมาสออย่างควอดีตอนาคตความคิดเกิดขึ้นอาศัยอดีตอนาคต ถ้าไม่มีอดีตอนาคตความคิดก็เกิดไม่ได้เหมือนกับเงาถ้ากายกับใจมันตรงกันน่ยความคิดก็ปรากฏไม่ได้แสงกับตัวเรามันตรงกันเงาก็ปรากฏไม่ได้ น, นี่คือหลักของรูปธรรมมันไม่ใช่หลักอะไรซับซ้อนเลยแต่เนื่องจากว่าเรายังไม่เห็นธรรมเรายังไม่เห็นธรรมชาติเหล่านี้รูปธรรมนามธรรมมันสอนมันส่อกันอยู่ในตัวนเพราะฉะนั้นในเบื้องต้นเนี่ยให้พยายามสลัด แต่ว่าไม่ต้องห้ามนะเวลาความคิดอะไรมาก็ไม่ต้องห้ามให้รู้มันแล้วก็สลัดมันทิ้งไปการสลัดก็หมายความกลับมาอยู่กับตัวเองเรื่อยๆมันคิดก็กลับมาอยู่ตัวเองเลยการกลับมาอยู่ความรู้สึกตัวชัดๆเองคือวิธีการสลัดไม่ใช่พยายามคิดอยาให้มันเป็นอย่างนั้นคิดอยาให้มันออกไม่ใช่เพราะฉะนั้นคําว่าสลัดนี่อย่าไปคิดว่าเราจะต้องกระจัดด้วยความคิดไม่ใช่กลับมาอยู่ความรู้สึกตัวกลับมาอยู่ความรู้สึกตัวเพราะกับมีคนรู้ตัวนั่นจะเป็นการสลัดความคิดแล้วเหมือนกับเงาปรากฏปรับ รูปกับแสงให้ตรงกันเงาก็หายมันไม่ต้องไปไล่เงานี่ยเอาอะไรมาตีมาฆ่ามาด่ามาันมันไม่เนีเพราะทำไม่ถูกเหตุถูกเหตุคือปรับรูปกับแสงให้ตรงกันปับ๊บเงาก็ไม่ปรากฏพระรูปกับแสงไม่ตรงกันปั๊บเงาก็ปรากฏกายกับใจไม่ตรงกันเพราะความคิดก็ปรากฏกายกับใจตรงกันเพราะความคิดก็หายแค่นั้นเอง น, นั่นแหละลับรูปนาเบื้องต้นพยายามอยู่แค่นี้ รูปนามนามรูปมาด้วยกันถ้ากายกับใจไม่ตรงกันนามรูปปรากฏกายกับใจตรงกันรูปนามปรากฏจะเป็นอย่างเนี้ยกฎของธรรมมันไม่ใช่เป็นกฎของความซับซ้อนอะไรเพียงแต่ว่าเรายังไม่คุ้นเคยเท่านั้นเองนะทีนี้ในวงการของรูปนามเวลาเข้าใจแล้วของพ่ะเทียนท่านจะพูดเลยไปอีกว่ารู้รูปโลกนามโลกรูปธรรมนามธรรมรู้ทุกนามทุกรู้อนิจจังทุกขังอนัตตารู้ศาสนาพุทธศาสนารู้บาหรู้บุญ หมายความว่าถ้าหากว่าจิตของเรามันตรงมันเกิดปิติมันเบาเนี่ยมันเบามันสบายมันเกิดปิติมันจะไปรู้อารมณ์เหล่านี้เองเมื่อก่อนความเจ็บความเมื่อยในร่างกายลูกทุกนามทุกเราเห็นไม่ชัดพอมารู้อารมณ์นี้มันเห็นชัดเพราเห็นชัดแก้ไขง่ายรูกทำนามทำต่อไปลูกจะไปทําอะไรจิตจะไปคิดอะไรมันรู้ทันทีขณะนี้กายกําลังทํานี้ขณะนี้จิตอันนี้เขาเรียกลูปลูกทำนามทำ รูปโรคน้ำโรคกับรูปทุกน้าทุกก็คืออันเดียวกันนะคือหมายความว่ากายที่มันไม่สบายทั้งโรคประจําทั้งโรคที่จอนโรคที่จอนมาก็คืออย่างนี้คือโรคที่มันปวดหัวปวดท้องโรคไข้ไข้เจ็บโรกที่มันจอนมาทีหลังแต่โรคประจําอะไรก็โรคก็คือนั่งนานก็ปวดเดินนานก็เมื่อยมาไดนกินก็หิว ห, วหรืออิ่มมากก็เมื่อยพวกนี้โรคประจำเรียกว่า รูปโลกแต่ถ้าเราไม่มีสติเราไปคิดปรุงแต่งกับไอ้ความไม่สบายเหล่านี้ปั๊บมันก็ออกมาเป็นความคิดพอเราไปคิดกับสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาก็เป็นนามโลกคือจิตมันเป็นโลกพอเราเผลอคิดไปมันเป็นโลกแล้ะรูปโลกนามโลกมันจะไปรู้รายละเอียดเหล่านี้ในวงการรูปนามในอารมณ์รูปนามรู้รูปรูปนามเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงมันเป็นทุกข์ มันก็ดับไปเปลี่ยนแปลงเป็นทุกดับไปรู้อานิจจังทุกขังอนัตตาแล้วไม่ใช่ไป น, นึกเอานะมันเห็นนะนีกต้องเข้าใจมันเห็นสภาวะเหล่านี้ปรากฏขึ้นมาเรื่อย ๆ, เ, อยๆเวลาจิตมันเบาอแล้วก็ในจุดนี้แหละก่อนที่หลวงพ่อจะเลยไปถึงเรื่องสมมติท่านจะพูดถึงเรื่องอว่าป ร, ปริศนาธรรมอะาการที่เราฝึกตรงนี้เข้าใจตรงนี้ชัด รักษาตรงนี้ได้เสมอเสมอเนี่ยมันก็จะไปเกิดตัวปัญญารู้ทีนี้ผมพูดถึงตัวปัญญามันก็จะเกิดตัวสมมุติขึ้นมาในตัวของมันเองเพราะฉะนั้นเรื่องของปริศนาธรรมกับสมมุติเนีหลวงพ่อยกขึ้นมาเพื่อที่จะได้เห็นว่ามันเกี่ยวข้องกันท่านบอกว่าเราสมมตินะสมมติรูปของเราเนะี่ยสมมุติเป็นผู้หญิงผู้ชาย ความคิดของเราสมมติว่ามันเป็นบุญเป็นบาปความคิดของเราสมมติว่ามันเป็นเมตตาเป็นโหดเป็นร้ายเนี่ยสมมติทั้งนั้นสมมติให้กับรูปกับนามที่มันเปลี่ยนแปลงไปเทอจริงมันก็คือรูปตาเห็นทุกอย่างที่เฉพาะหน้าก็เป็นรูปทั้งหมดเสียงทุกเสียงมันก็เป็นรูปทั้งหมดกลิ่นรสสัมผัสมันก็เป็นรูปทั้งหมดให้เห็นสิ่งเหล่านี้รวมกันเป็นรูปเท่านั้นถ้าไม่จาเป็นนะ ถ้าจําเป็นแล้วก็ไปรู้สมมุติต่างโมดิคนเราถ้าไม่รู้จักเรื่องอันนี้จําเป็นไม่จําเป็นแล้วก็คิดได้ยินเสียงมันก็คิดตาได้ยินก็คิดพอเราเช้านี้ไม่กลัวเขาทํากลัวกินอาหารเฉยมาเราก็คิดอยากแกงอะไรเนาะกินอะไรเนาะไปสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งเค่งตึงขึ้นมามันก็คิดโอ้เย็นแต่เช้านี้ไปหาเสื้อมาใส่ก่อนความคิดมันก็พาไปมันก็ไปใส่เสื้ออย่างเงี้ย เห็นไหมแต่เราไม่รู้เท่าทันสิ่งเหล่านี้เราก็คิดว่าเป็นเราหมดเราหนาวเราล้นเราเจ็บเราปวดเพราะเรายังไม่เห็นรูปนามไปเห็นรูปนามเนาะอันนี้ความรู้สึกอ๋ออันนี้คือการเคลื่อนไหวความรู้สึกแล้วถ้ามันทนได้ก็ทนไปถ้าทนไม่ได้ก็ไปใส่เสื้อเนหนาวจัดเกินไปไปใส่เสื้อแล้วทนได้ก็ดูมันไปนี่เราการู้มันเป็นแค่สองอย่างคือรูปกับนาม แต่ถ้าหากว่าเราไม่รู้อย่างนี้มันก็จะคิดปรุงแต่งไปตามที่มันกระทบพอจิตคิดปรุงแต่งไปมันก็สูญเสียอะไรสูญเสียกาลังเหมือนกับเราชาร์จแบตเตอรี่ใส่หม้อเอาไว้ใช่ไหมถ้าเราไม่ไปต่อหลอดไฟหรือไม่ต่อไฟใช้เนี่ยไฟที่มันอยู่ในแบตเตอรี่จะอยู่อย่างนั้นแต่พอต่อออกไปเป็นไงฟังชันต่างๆเป็นหลอดนั่นเป็น แสงสว่างนั้นมันก็ถูกใช้ไปมันก็เป็นประโยชน์นะความคิดถ้าหากว่าคิดขึ้นมาแล้วก็ใช้ไปมันก็เป็นประโยชน์พอหมดเวลาก็ปิดสวิตแต่ถ้าเราไม่รู้จักกลไกตรงนี้เนี่ยเราคิดเราก็มืจะจัดการกับมันไม่รู้จักอยู่สิ่งที่เราคิดจำเป็นบ้างไม่จำเป็นบ้างคิดไปบางทีสิ่งที่จำเป็นมันไม่ถึงเวลาที่จะคิดแล้วก็เอามาคิด มันก็เลยสูญเสียพลังตัวนี้ก็ทุญเสียของน้ำบ อ, อกไปอ่เหมือนกับไฟที่เราชาร์จแล้วเราติดเอาไว้ตลอดเวลาเมื่อกี่วันก็หมดเราเมื่อเสียเวลาชาร์จกนอีเพื่อให้รู้ว่ารูปกับน้าเป็นตัวที่อยู่ด้วยกันให้เห็นอาการของมันถ้าเราจะใช้มันในส่วนที่จำเป็นรูปมันเป็นที่ตั้งของความ ไม่สบายก็ดูมันถ้าไม่มีสติสมัมปชัญญะฝึกมาดีความไม่สบายของรูปมันก็ก่อให้เกิดความไม่สบายของนามก็คิดผู้นั่งตรง น, นี้ไม่สบายคิดอยากไปนั่งตรงนั้นผู้เดินตรงนี้ไม่สบายก็อยากไปเดินตรงนั้นนะแล้วก็ผู้นั่งตรงนี้มันอึดอัดหนักหน่วงมันก็ก่อให้เกิดความรู้สึกไม่สบายขาย้างในแล้วก็คิดพอความคิดเกิดขึ้นแล้วก็ไปตาม แล้วก็เปลี่ยนไปอย่างเงี้ยในชีวิตประวันิแลก็ดูอันนี้แหละวกไปวนมาจนกระทั่งเข้าใจอ๋อเป็นความคิด เ, เราตามมันไปความคิดมาจากอะไรมันจากความรู้สึกความรู้สึกทางกายก่อนถ้าหากว่าเราสบายสบา ย, บายเราก็ไม่ได้คิดอะไรรู้ชัดแต่พอเราไม่สบายขึ้นมามันก็หาเรื่องคิดแต่เราตามไม่ทันมันเพราะสติเรายัางน้อยอยู่ แต่พอเราก็ทําไม่หยุดสร้างจังหวะเริ่มจงกลมทำความรู้สึกตัวทั่วพร้อมอยู่เสมอๆก็เริ่มเห็นความคิดขึ้นมาเวลาความไม่สบายกายเกิดเราก็ดูดมมแตดด่ความไม่สบายกายมันก็จบแต่ถ้าเราไม่มีสติดูความไม่สบายกายก็ทะลุไปถึงใจเกิดความไม่สบายใจขึ้นมาอีกเกิดความอยากจะทำนันอยากจะไปอย่างอยากจะกินนะั้นอยากจะทำ น, นั้นข้นไอ้ความอยากมันเริ่มเป็นความเป็นโรคแล้วเป็นเชื้อโรคแล้วนะะ ถ้าเราตอบสนองมันก็เป็นโลกขึ้นมาล้รู้อยู่เงี้ยรู้ให้รู้จักนะรู้จักพอะเรารู้จักอย่างนี้ปัญญามันกเกิดขึ้นนะเราก็สมมุติเป็นนั่นเป็นนี้ขึ้นมาอันนี้เองพ่อเทียนอ่าตรงนี้มันเป็นพระธรรมท่านก็เลยยกสมมุติขึ้นมาว่างไงนะว่าพุทธศาสนาเมื่อถึงห้าพันปีแล้วเนี่ยพระธาตุต่างๆที่เช่นพูดเมื่อกี้นะพระธาตุต่างๆที่ว่ากระจายไปอยู่ทั่วโลกมันจะมารวมกันอีกครั้งหนึ่ง มารวมกันแล้วก็จะแสดงธรรมเป็นองค์เจ้าชายสีทัตเป็นพุทธเจ้าอีกครั้งหนึ่งแสดงธรรมเจดวันในเจวันนี้คนไหนมีปัญญามากที่สุดก็บรรลุอรหันต์ก่อนคนไหนมีปัญญาลองลงไปก็เป็นสกีณนาคามีปัญญาลองลงไปก็เป็น อ, อนาคาเป็นอนาคาก็เป็นสกินนาคาปัญญาลองลงไปอีกก็เป็นโสดาบันปัญญาน้อยลงไปอีกก็เป็นมนุษย์ธรรมดาปัญญาน้อยลงอีกเป็นคนธรรมดา พราะฉะนั้นในห้าพันปีเนี่ยเมื่อธาตุของพุทธเจ้ามารวมกันแสดงธรรมภายในเจ็ดวันก็จะมีคนหลายประเภทอย่างนี้แหละของพ่อเห็นว่าท่านอยากจะไปเกิดที่ตรงนั้นน ะ, น ะ, นะต้องบุญให้ท่านพราท่านฟังนิทานนี้มาแล้วก็อยากไปเกิดที่ตรงนั้นนะพอถึงเจ็ดวันแล้วธาตุต่างๆพอแสดงธรรมเสร็จแล้วก็สลายไปหมดเลยเราบอสิ้นยุค ข, ของพุทธศาสนานิทานท้าเหล่าเอาไว้อย่างนี้น เ, เ, นเขาเรียกเป็นสมมุติอะ พอท่านมาเข้าใจแล้วโอ้มันไม่ใช่ <c oughs> มันไม่ใช่คำว่าห้าพันปีเนี่ยพุทธศาสนาร่างกายของคนตัวรู้ศึกตัวเนี่ยเหมือนตัวพุทธศาสนามีอยู่ในคนทุกคนแต่มันถูกด้วยพันด้วยของห้าอย่าง แต่ท่านจะพูดเป็นปรมัติมันไม่ได้คนจำไม่ได้ต้องมาพูดเป็นสมมติว่าห้าพันปีแต่ความจริงขันห้าของเรานะมันถูกด้วยผูกพันด้วยอุปท า, านนะด้วยผูกพันด้วยอุปท า, านเมื่อขันห้าของเราถูกพันด้วยอุปท า, านแล้วมันก็เลยมีวันมีเดือนมีปีขึ้นมาใช่ไหมทีนี้ในมาพอมาเจริญวิปัสสนาเราก็เลยปลูก ตัวพุทธะขึ้นมารวบรว ม, รวมตัวพุทธะรูุ้ทธะเลยรดูรู้สึกตัวที่มาอยู่ทั่วตัวของเราเนี่ยมันไปกับความคิดบ้างมันไปกับการกระทำบ้างรวมมันไม่ให้ไปไมาอยู่กับปัจจุบันธนะาตุรู้เหล่านี้ก็เหมือนพระเจ้าเหมือนพระเจ้าห่อมาจากที่ต่างๆกระดูกธาตุรู้ธาตุธาตุเนี่ยธาตุธาตุรู้โดยนั้นนะมารวมกันรวมกันเลยเป็นแสงสว่างของปัญญาเหมือนผู้ ว, วันนี้เราพยายามรวมธาตุรู้ของเรา ไม่ให้ความคิดมันดึงไปใช่หมหไม่ให้ความง่วง ม, มันดึงไปไม่ให้ความหมดึดมันดึงไปไม่ให้ความลังเลมันดึงไปแล้วพยายามรวมเข้ามาอยู่ปัจจุบันเมื่อตัวรู้ตัวนี้มารวมกันมากเข้ามากเข้ามากเข้ า, า, ขาก็เกิดไฟไฟอะไรไฟแห่งปัญญาและตัวปัญญาตัวนี้ก็จะไปทําลายอุปาทานที่ไปสาคัญขันห้าว่าเป็นตัวตนเนี่ยเมื่อขันทั้งห้าถูก ไฟปัญญาทําลายอุปท า, านเหล่านี้ออกไปคนที่มีปัญญาเห็นแจ้งเหล่านี้เหลียวก็ได้เห็นถักดวงตาเห็นธรรมเป็นพระ ส, สูดาสกินาธาหันตามหลอดที่ท่านว่ามาท่านหมายถึงอย่างนั้นแต่ถ้าท่านพูดว่าอย่างนี้คนจะไม่เข้าใจเพราะมันเป็นปรมัทิตย์แต่พูดมาเป็นสมมติว่าเออเมื่อห้าพันปีพุทธศาสนาอายุมีแค่นั้นเสร็จแล้วก็จะเกิดไฟประไลกันพระพุทธเจ้าท่านพุทธเจ้ามารวมกันแสดงธรรมนี่พูดเป็นสมมุติเอาไว้เพื่อให้คนจําเป็นนิทาน แต่ทจีจะพูดอย่างที่บอกว่าเออพราะคนเรามีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณออกมาเป็นความคิดถูกครอบพันด้วยความยึดมันม่นถือมั่นและความยึดมั่นถือมั่นอันนี้ก็ต้องเอารวบรวมสติปัญญาเข้ามาแผดเผาเมื่อสติปัญญาแผดเผาอุะทานนี้ได้ภาวะพุทธะก็ปรากฏอันนี้เป็นปรมัตุนคนเขาฟังแล้วก็จำไม่ได้แต่พูดพูดถึงว่าห้าพันปีผู้ทีเจ้า สมณสากยญบุตรจะมาธาตุของท่านที่กระจายไปทั่วโลกจะมารวมกันอีกครั้งหนึ่งมันก็เป็นเหตุการณ์ใช่ไหมคนก็จําได้ก็เล่าต่อขานขึ้นมาตรงนี้ท่านเรียกว่าเป็นสมมุติอ่าท่านจะบอกตรงนี้ว่เาเป็นสมมุติสมมุติต้องมีเพราะสมมุติเป็นอะไรเป็นข้าเปลือกเหมือนข้าวนะมีเก็บไว้สองชนิดใช่ไหมข้าเปลือกก็เก็บเอาไว้ทําพันธุ์เท่าสารเก็บเอาไว้กินปรามาจารย์เหมือนข้าวสาร เอ า, าหุงมาต้มมากินเพื่อความเติบโตของเราแต่ประมาจาเหมือนเข้าเปลือกเออสมมุติเหมือนเข้าเปลือกขอโทษถ้าเราไม่มีเข้าเปลือกเนี่ยสีเป็นข้อวสารหมดปีต่อไปเราจะมีเข้าปลูกไหมไม่มีเราจะข้อวสารไปปลูกเพามันก็ไม่ติดไรใช่ไหมอ่ะเหมือนกันสมมุติประเพณีดีดอง น, นิทานชาโดเอเลนต่างท่านจัดไว้เพื่อเป็นเข้าปลูกแต่คนเราไม่รู้จัก ปรมามัดไม่รู้จักวิปั ส, สนาเอาเข้าวเปลือกมาเป็นข้าว ป, ปลูกเอาข้าวปลูกมาเป็นข้าวสารปนกันมั่วไปหมดเลยคนก็กินติดคอนะีโตไม่เป็นคนนับถือพุทธศาสนามาสองสามพันปีแล้วบางคนก็โตไม่เป็นเพราะไปกินข้าวเปลือกไอ้คนที่โตเป็นมีสติปัญญาดีเขาก็ไปสีเป็นข้าวสารข้าวเปลือกเขาก็ไปทิ้ง เ, เก็บไว้จําเป็นนิดหน่อยทังสองถังแต่นันกหนังสีเป็นข้าวสารขายว้างกินบัางก็สบาย นคนรู้วิปัสนารู้ปรมัติแล้วก็ใช้จิตใจที่มันไม่มีกิเลสตัณหาอุปาทานจิตใจก็เป็นอิสระสบายนะแล้วก็กสอนพิธีรีตองบ้างเพื่อให้เป็นเข้าปลูกท่านที่รู้สมมติปลมาทิท่านก็ไม่ไปดีเซ็นนะไม่ไปฏิเสนสมมุติทีเดียวแต่ท่านใช้น้อยหน่อยเข้าเลือกไม่ต้องเอาไว้มากสมมุติเราจะมีน้อยๆสราวัดสมรมูลก็ทําน้อยๆเรื่องของนิทานชาดก หรือกระตุ้นให้เกิดศรัทธารักษาศีลก็ทำน้อยๆเพราะมันเป็นเข้าเเปลือกเอาไว้เพื่อไม่ให้ปรมาบิตมันสูนพันธ์นี่พุทธศาสนาเป็นธรรมชาติสมมุติแตงเนี่ยมันก็มีทั้งเนื้อทั้งเปลือกเรากินเนื้อเราก็เก็บเม็ดวัน เ, เอาไว้เม็ดนั่นก็เป็นพันต่อไปตัวพันธุ์ตัวนี้ก็เลยเป็นสมมติ แล้ตัวที่เนื้อที่เรากินได้ก็เรือกเป็นประมัตดคือความรู้สึกตัวทั่วพร้อมเนี่ยเป็นประมัดละ่ะทําให้จิตมันนิ่งจะไม่จิตสบายเราก็ได้สวยความสุขกับมันใช่ไหมแต่ถ้าอะไรมันคิดเรื่องนั้นเรื่องมาเรื่องนี้เรื่องมาเรื่องนั้นขึ้นมาเรื่องนี้ขึ้นมาปั๊บเราก็รู้ว่าอ๋อสมมุติสมมตุมมตินี่จําเป็นไหมเนี่ยเรื่องที่คิดเนี่จําเป็นไหมไม่จําเป็นตัดพิงไป ถ้าจําเป็นเราคิดนิดน้อยหน่อยเออวันนี้จะไปทํามันนั้นวันนี้จะไปทํามันนั้นแต่ยังไม่ถึงเวลาก็ไม่จําเป็นต้องทํำอาคิด mm hmm. ก็ปัจจุบันเนี่เราก็ไม่สูญเสียพลังงานแต่ที่เรื่องจําเป็นไม่จําเป็นเอามาคิดมั่วไปหมดก็เหมือนที่เราติดหลอดไฟใส่แบตเตอรี่แล้วไม่ยอมปิดไม่นานแบตเตอรี่ก็หมดมีนะความรู้สึกตัวของเราก็มันไปติดใส่ความคิดปั๊บเดี๋ยวเดียวหมดแล้ว แตเตอรี่ก็ยังว่าอยู่ได้หลายวันแต่ความรู้สึกตัวเนี่ยพอหาเรื่องคิดปั๊บไม่รู้ตัวนะไปหมดเลยความรู้สึกตัวเราก็กลับมากู้คืนใหม่อยู่งั้นเรื่อยไปมันถึงช้าไงท่านยวกําหนดเอาไว้คนที่ทําถูกต้องตรงนี้ตั้งแต่หนึ่งวันถึงเจ็วันจะรู้เรื่องบางคนรู้เรื่องบางไม่รู้เรื่องแตไ่ไม่ทิ้งความพยายามตั้งแต่หนึ่งปีถึงเจดปีท่านก็ว่าระยะยาวเอาไว้นะเพราะฉะนั้นอันนี้คือในส่วนที่ หลวงพ่อพูดมาตอนเช้าสรุปได้แค่นี้นะพอจะเขาพูดไดว้เรื่องปรมาติในรายละเอียดก็เลยหยุดด้วยตรงนั้นก่อเอาแค่ที่ท่านพูดมาประมาณสัก25่สิบหนาทีหลวงพ่อสรุปได้แค่นี้ว่าท่านต้องการให้เรารู้เรื่องอะไรรูปนามกับนามรูป ก, ก็คือกายกับใจอยู่ด้วยกันมันเป็นรูปนามละมีสติแต่เมื่อไรเราเผลอสติ มันไม่รู้กากับใจมันสร้างความคิดอ่านามรูปปรากฏแล้วเราก็ไปรู้อ่านี่น้ํามรูปนั้นมันทําให้เราวุ่นวายนะปรับให้กายกับใจตรงกันปับไม่ต้องไปไล่ไม่ต้องไปไล่ความคิดให้ลําบากหรอกปรับให้กายกับใจมันรู้สึกตัวชัดๆเนี่ยความคิดก็หลุดไปเองนนี่มันง่ายๆนะแต่เราไม่รู้ไม่เข้าใจก็ไปขวนขวายมันยากพราะความคิดหลุดไปจิตใจมันสบายมันโปร่งมันเบา มันก็เกิดความปีติเกิดรู้นั่นรู้นี้ขึ้นมาปั๊บไอ้ตัวรู้มันก็เป็นเหมือนกับความมืดสีขาวเป็นเงาที่สว่างเราก็ไปเพลินกับมันล้วทีเนี้ยไอต้ตรงคิดดีนี่พอสลัดได้แต่ความเออความคิดไม่ดีนี่สลัดได้แต่พอความคิดดีขึ้นมาสลัดยากละโอ้มันปีติอยากจะอยู่ตรงเนี้ยโอมันสบายอยากจะอยู่กับความสบายนี่เป็นความมืดสีขาวเป็นเงาสว่างแก้ไขยากมากตรงเนี้ยฟังไปทำมาไปเกิด ตกไปลงหลุมความรู้อยากเทศอยากสอนนะโอ้ตรงนั้นน่าจะหมายความว่าตรงนี้อยากจะหมายความว่าอยางี้ทำไมหลวงพ่อมาให้เราพูดตรงนี้ว่างั้นมันก็จะขึ้นมานี่คือวาเป็นความมืดสีเงาสีขาวเป็นเงาที่สว่างเป็นอุปสรรคละเนอียดอ่อนแต่ส่วนใหญ่นักปฏิบัติจะไม่รู้จุดนี้เพราะว่าอะไรเพราะมันเป็นของเก่าของเดิมของเราเราต้องรู้เท่าทัน ในช่วงภาคปฏิบัติของเรานี่ไม่มีอะไรให้รู้สึกตัวให้ชัดๆไว้เสมอรักษาความรู้สึกตัวให้ชัดไว้เสมอเงามื่งก็ไม่เอาเงาสว่างก็ไม่เอาแต่เงามืดสลัดง่ายแต่เงาสว่างสลัดยากเพราะอะไรเพราะเราอยู่กับมันนะดังนั้นในช่วงเช้านี่นะที่เราคอสรุปมาเนี่ยเดี๋ยวจากหกโมงเนเจ็ดโมงเราก็จะไปนั่งข้างนอกเดินชมโคมบ้างสร้างจังหวะสลับกันไป เข้างล่างบางก็ได้แต่ไม่ต้องไปเดินจูบกมข้างนอกเหมือนทุกวันเดินในนี่แหละใครจะเดินจุดไหนนั่งจุดไหนก็เอา